สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษิบัตนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคำกฎที่5ก็คือกฎแห่งเสรีภาพเมื่อวานนี้ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพแท้หรืออิสรภาพแท้ที่ดูเหมือนไรเสรีภาพแต่มีเสรีภาพมีอิสรภาพที่แท้จริงครับนั่นคือสิ่งที่ พเยสุกิตหยิบยืนให้กับลูกของพระองค์ผู้ที่บังเกิดใหม่คริสเตียนที่เชื่อในพระองค์แต่ในทางตรงข้ามครับซาตานก็ได้หยิบยื่นเสรีภาพจอมปลอมที่ดูเหมือนจะมีเสรีภาพแต่ไม่มีครับนั่นคือการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอำนาจมืดวิญญาณชั่วความผิดความบาปทั้งหลายซึ่งซาตานหลอกมนุษย์มาโดยตลอดตั้งแต่อาดัมและเอวาครับ พี่น้องครับในเช้าวันนี้ พ, ะนะพระเจ้าก็ได้สอนถึงสาเหตุที่แท้จริงของเสรีภาพคืออะไรคําตอบก็คือว่าพระะของพรเจ้าสอนว่าสาเหตุที่แท้จริงของเสรีภาพนั้นก็คือความรักพระะของพรเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏโดยกาลาเทียบที่5ข้อที่1ครับโปรดฟัง พ, ะะงพระเจ้า ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านนั้นก็เพื่อให้ท่านมีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันด้วยกันด้วยความรักเถิดโปรดฟังครั้งครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านนั้นเพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าหลักการข้อแรกของเสรีภาพที่แท้จริงหรืออิสรภาพที่แท้จริงที่พระเยซูนั้นได้ยืบยื่นให้กับผู้ที่รักพระองค์ก็คือความรักครับหลักการข้อแรกของอิสรภาพที่แท้จริงคือความรัก หากปราศจากความรักแล้วเสรีภาพที่มีอยู่นั้นก็เป็นเสรีภาพจอมปลอมไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงครับผู้ที่กล้าใช้ความรักไปรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ที่กล้าหาญมากกล้าหาญมากที่จะมีเสรีภาพที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเองพี่น้องครับการใช้ความรัก ไปรับใช้ซึ่งกันและกันเป็นคนที่มีเสรีภาพจริงๆครับการที่คริสเตียนดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของไม้กางเขนติดตามพระเยซูนั้นไม่ใช่เพราะถูกบังคับหรือเพราะจำใจองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครยอห์นบทที่10ข้อ18ครับการสมัครใจนั้น คือสิ่งที่คริสเตียนเลือกที่จะสมัครใจคริสเตียนนั้นตอบสนองด้วยความสมัครใจเพราะเหตุที่ว่าตอบสนองต่อความรักของพระคริสต์เหตุที่เรารักพระเยซูเหตุที่เราอยู่ในความรักของพระเยซูเรากําลังเดินอยู่บนทางหลวงแห่งเสรีภาพเรากําลังเดินวิ่งอยู่บน ทางหลวงหรือ Highway of Liberty หรือเสรีภาพนั่นเองพี่น้องครับการแสดงออกของความรักก็คือการรับใช้ซึ่งกันและกันและนี่คือเสรีภาพของการรับใช้ด้วยความรักที่มีต่อกันพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าแล้วมีปัญหาต้องกลับมาถึงหลักเบสิกว่าเราทำไมยังอยู่ในการรับใช้ เพราะเหตุที่ว่าเรารักพระเจ้าเราอยากจะตอบสนองความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราก่อนนั่นคือแรงบันดาลใจและความรักดั้งเดิมที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่าให้อะไรก็ตามที่มาจูงใจเราให้เรารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงหรือใครบางคนที่เราเคารพนับถือ เขาอยากจะให้เรารับใช้พระเจ้าเราก็รับใช้พระเจ้าเพราะความเกรงใจพี่น้องครับไม่ใช่เช่นนั้นครับเรารับใช้พระเจ้าเพราะเหตุความรักที่เรามีต่อพระองค์เพราะเหตุที่เราอยากจะตอบสนองความรักของพระองค์ที่พระองค์ประทานให้กับเราพี่น้องครับเกี่ยวกับหลักการของความรักนี้เราต้องระวังเรื่องเรื่องหนึ่งครับ มีคนเสนอหรือมีแนวความคิดที่เรียกว่าหลักจริยธรรมตามสถานการณ์ครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า situation ethics หลักจริยธรรมตามสถานการณ์หรือ situation ethics นั้นก็คือมีแนวความคิดที่ว่าขอให้คุณรักผมคุณก็มี อิสระเสรีภาพที่ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอให้มีความรักขอให้พูดว่ามีความรักและในความรักนั้นคุณทำอะไรก็ได้ไม่มีขอบเขตภาษาอังกฤษบอกว่า love and do whatever you want love and do whatever you want ทำอะไรก็ได้ขอให้มีความรักไม่ใช่ครับข้อความนี้นั้นถูกครึ่งหนึ่งครับ แต่มันไม่สามารถที่จะเป็นความจริงที่สมบูรณ์หรือความจริงสากลได้มันไม่สามารถใช้ในทุกๆ ก, กรณีได้เช่นถ้าคุณมีความรักคุณก็ใช้ความรักนั้นไปทำอะไรก็ได้แม้แต่ความผิดบาปถ้าคุณมีความรักคุณก็ไปนอนกับใครก็ได้ไม่บาปไม่เป็นไร เรื่องความใคร่ทางเพศก็ไม่เป็นไรเราไม่มีกฎเกณฑ์หรือขอบเขตของอิสรภาพนั่นแหละครับมันติดกับดักของซาตานเพราะว่าการไร้ซึ่งกฎเกณฑ์นั้นจะทำให้เราตกอยู่ในความบาปและเข้าไปอยู่ในกับดักหลุมพรางนี่นะครับคืออิสรภาพที่ไม่แท้จริง พีน้งครับมนุษย์เรามักจะคิดว่าอิสรภาพนั้นคือไม่มีขอบเขตแต่โดยหลักการของพระเจ้านั้นอิสระภาพนั้นต้องมีขอบเขตครับขอบเขตที่ถูกต้องขอบเขตที่ชอบทมขอบเขตแห่งจริยธรรมที่มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้ารับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักมีความรัก แบบพระเจ้าให้ต่อกันแต่ไม่ใช่เป็นความใคร่หรือตันหาพี่น้องครับหากคนคนหนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้ามีอิสระสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ล่วงล้ำขอบเขตหรือไปกระทบกับเสรีภาพหรือสิทธิของคนอื่นนั่นแหละครับคือการไร้เสรีภาพที่ซาตานมอบให้กับเรา เป็นความคิดที่แบบทําอะไรก็ได้มีิสระในการเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรทําได้หมดไม่ใช่ครับพี่น้องหากเราใคยควรพิจารณาดีๆแล้วแล้วก็เราจะรู้ว่าชีวิตคริสเตียนนั้นแท้จริงอิสระสรภาพที่จะไม่ทําบาปครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาไม่มีอิสระสรภาพที่แท้จริงในการเลือกทําดีเพราะว่าเขถูกผูกมัดแต่ความดีตรงนั้นเป็นความดีที่ จอมปลอมพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้หลายคนบอกว่าเอคริสเตียนเราใจแคบหรือเปล่าคนดีในศาสนาอื่นๆและในลทัทธิความเชื่ออื่นก็มีอยู่เหมือนกันความดีก็มีอยู่เป็นการกระทำแบบเดียวกันด้วยเป็นแรงจูงใจที่เกิดจาก compassion หรือความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ ก, กันพี่น้องครับตรงนั้น ผมอยากจะพูดว่านั่นคือฉายพระฉายาของพระเจ้าหรือ image of God ที่ยังอยู่ยังหลงเหลืออยู่ในทุกๆคนในโลกนี้ทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างจากพระเจ้าและมีจริยธรรมมโนธรรมคุณธรรมและคุณธรรมนั่นแหละรครับเราบอกได้ชัดเจนร0 0เครับว่าเป็นคุณธรรมที่เป็น image of God คือเป็นคุณธรรมที่ยังอยู่ในจิตสำนึกจิตใต้สำนึกมโนธรรมต่างๆพี่น้องครับยังเป็นสิ่งที่ลงเหลืออยู่แปลว่าถ้าผู้ใดอยู่ในปคจจตผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆ ก, ก็ล่วงไปและนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิน้นพี่น้องครับคนใหม่ที่อยู่ข้างในเรา เป็นคนใหม่ที่ถูกสร้างโดยพระเยซูเป็นคนใหม่ที่รับการยกโทษรับความรักจากพระองค์ทำให้คนใหม่นี้มีสระเสรีภาพในการที่จะทำดีได้อย่างสมบูรณ์แบบทําดีให้อยู่ในมาตรฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เป็นการทำดีตรงนั้นที่พระเจ้าพอพระทัยครับ ฉะนั้นเองสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาก็คือขอให้พระเจ้าได้ให้ความรักดั้งเดิมเกิดขึ้นกับเราเป็นความรักที่ถูกต้องเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์เพื่อที่เราจะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักต่ อ, ตอไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน